ในั่งใั่งใจภาวนาเรื่อทุกคนเวลามือเว่นเดือนสีมันไปยุ่ยเรื่อยขันเท้าเพ้อแคปเดียวขนาดอาทิตย์หนึ่งผ่านไปแล้วอาทิตย์หนึ่งอั้นเท้าตั่งใจภาวนาเมื่อกษีดายอีเด้อาทิตย์หนึ่งกษีดายซื้อมือซื้อเมือภาวนาแน่เข้าสิีดไปในทีนิ่ นี่ไดการทาวนาหรือทหลักไม่งอื่นบ่อใดดอกเผาน้ามสร้างป่าอันกินเข้าไปกินเข้าไปบารุงเข้าไปนี่ยบย่อใดว่าจะของอ้วนจะของพี่ใหญ่ยยโตขึ้นมากบา่อใดเนี่ยเขาเอาไปจูดถิ่มอยู่เม่นเอาไปเผาถิ่มเมื่ บ, บ, บยอย่อใดดอกบ่ไดดหยั่งคนวา่าเงื่นท่อง หามาไล้ไปปากชะนะข้านไว้ไปลงทุ่นเพชรนั่นเพชรดีไว้เนี่ยเมนเนี่ยพอได้ชาขันแล้วเนันพ่อตายว่าเราที่ตอ ง, งนี้อากมันเพื่อนเท่าแท่าแค่พ่อต่างมากก่แค่ด้วยนาพักนาแร่ขีเนื่อขี่ให้ของเนี่ยวดจเลยเพื่อนมาหลังนึงน่ยพอตายปัดเขาเฝ้าเานี่เอาหนีเลยเนี่ยเขาบอกให้ยูดอกเพื่อนก็นได้ เขาายปั้ดเลยเขาเฝ้าเอาไปฟ้าไปเผาไปจูดไปดิ่มอั่า้ยมันว่าล่างตใจนะนเขากินเขาไมา่เองนี่อีหยังแสบนี่อีหยังมันเป็นประโยชน์อยู่แห้งมันได้ก็ไปหาขี้ ม, ามา่าน้ำบ่มลุ่มมันบัดตายแล้วนั่โมชนดนมันกับิีเมนต์แค่เขาเขาก็เอาไปดิ่มมีไผ่สะออนดอก ม่บัดหอดไทยละว่าบ่ได้ยังจ้าอันเนี้เนี้ยเนี้น้นเหมือนว่าท่ำดีไปคือเสียงสียูขู่ฝ่าดินสลายเวอร์สินโอ๊ยอย่าไปเชื่อเด้อฝ่าดินมันบ่อทั้งไตสลายดอคือเสียงมันเมดแล้วน้ำขนบ่อมีจับเข้าได้แล้วกันข้นบ่อจะออนน้ำเหลือก็เม็ดธรรมดะเสือเสียงเนยมั่วมีประโยชน์เนั้ยเข้ากลัวเข้าหาอยู่ในโลก แน่อื่นใดมันภาวนากั้งใจเอานะย่าสีฟอยเวลาให้มันถิ่ไปข้าวถี่เมยุ่นน้ำกันเมย์โบโดมเน่นโบโดลดอกถี่อยวยใหญ่ยวยใหญ่ไปไทยไปมันนยังพ้ น, นก็ไปแล้วบท่ท่นตายไปเราก็ตับมาเนยงจะวางจะเข้าซับมามาเยี่ยมมายามกันโดนไปโดนมาก ก, ออก็ไก่ออกไกลออกห้างๆๆออกห้างออกอตายจำมาเนี่ยตายนี้จากกันแล้วเด้ บ่ท่านโดนทุ่นมนี่เวลานี่โอกาสนี่จังหวะที่สมควรสิ่งที่ท่านทุ่มเทียนได้ไงท่านไะด้ทุ่มเทีย น, นเบียกนัน่นต่างๆของสร้างโลกของการรุ่งชีวิตมันแห่งขอดแห่งเกี่ยวเขาเสมือหนิมีเหยียดร้ายแนยวจิตข อ, องสี่ห้าร้ายสีแก่เขาคงมีโอกาสเปล่าที่เอา มีชีวิตไป ใ, ในโลกหนระือไม่ก็ยากึืนยากคืนเสมอเสมอนั่นแหะยากข้มมะะ า, ามมีโอกาสมีจังหวะมีเวลานะตั้งอกตั้งใจเพ็ดพวนสงบน่าทำพ้สมสงบนี่ใจเจ้าของนั่งยืนจีนซ่อมมือใจเจ้าของใจมันอยู่พรอร่างกายมันอยู่แล้วปากทะยุแล้วบวปากพวกวาแล้วใจมันอยู่บอใจนะ พยายามตอบพยายามโ่ำพูมันอย่าให้มันดินมันดันอย่าให้มันไปแต่มันอยู่น้ำกันนี่แหละให้มันหูเมื่อเจ้าของให้มันฟ้องเจ้าของอยู่ดีอย่างสนี้นะบางทีจเป็นภาวนาอันนี้แล้วเนี่ยชิได้ไงอย่างอื่นว่ไไรดอกยังบอกตั้งนะล่ะยะตาวาริวหฮปูราคาริปูเรนที